วันนี้ไม่ต้องทำงานเนี่ยยังจัดรายการอยู่ป่ะท ำ, ทำกี่รายการเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกั บ, บตำพา์ดาราเนี่ยนะโอ้อำตำพาดดาราอย่างเดียวเลยัมภาดไปทำไม เรื่องแบบรายการค่ะหลวงพ่อถามทำผ้าเกี่ยวกับชีวิตอะไรเข้าอย่างงี้นลยเกี่ยวกับละครเอาละครมาตั้งคําถามอะไรนะเกี่ยกับเจาะเบื้องหลังของละคร น, นี้แหละความเป็นไปเป็นม า, าช่องอไหนนะช่องสามาช่องสามทำทำรายการเดียว S 1> <S 1> วันนี้มาถามที่นี่มั่งนะลองถามดูบ้างนะอยากจะไอคนถามเหมือนกันรู้จักน้องเข้ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนชั้นประถมแม่ก็พาเข้าวัดนะก็เลยสนิทสนมกันหน่อยเลยเลยถามก็ได้ เมื่อก่อนนี้เขาตีกอล์ฟเก่งนะแต่พอดีก็ไปแพ้ยาไปแพ้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมเกย์สอนยาค่ะเกย์สอนย่าเลยไม่ได้เป็นแชมป์เลยในน้องเวรักเลยนอกจากรายการแล้วมีทำอย่าง อ, อื่นหรือเปล่าตอนนี้ อันนึงเป็นนักร้องที่จีนค่ะนักร้องที่จีนเขาให้เราทำอะไรให้เขาไปเป็นนักร้องที่จีนอ๋อไปร้องที่จีนอันนึงก็แอร์โเตได้เลยคะ่ะอร์โเตเ้าาพร้อมกันเลยค่ะละ้วยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาไหนเลยอยู่ในช่วงตัดสินใจค่หลวงพว่ออันนึงก็ทำตามความฝันอีกอันนึงก็ได้อยู่กับแม่ อ, อันนั้นได้อยู่กับแม่ อันที่จัดรายการเนี่ยเลยอันที่ทำแอร์อ๋อทำแอร์ถ้าไปร้องเพลงที่จีนต้องไปอยู่ที่นั่นนะใช่ค่ะไปร้องยังไงร้องภาษาจีนนะใช่เขาจะให้ไปเรียนจีนก่อนแล้วก็ร้องทาเพลงจีนอยู่ที่ปักกิ่ง น, นะคะหงพ่อหนูร้องเพลงได้นะมร้องได้ค่ะออือเคยร้องภาษาไทยป่ะ เคยร้องของภาษาไทยป่ะของภาษาไทยเคยร้องแต่ไม่ยังไม่ได้ทําเพลงค่ะหลวงพ่ออ่าร้องคาราโอเกะแบบนี้เลยะอือแล้เขาให้เราลองไปทดสอบร้องร้องดูแล้วหรือใช่ค่ะคือหนูร้องเพลงจีนไปแล้วเขาก็มาติดต่อเราไปเจอเขาแล้วเขาเหมือ น, นบอกว่าชอบอก็เลยจะให้ไปทําเพลงที่จีนค่ะอือต้องไปอยู่นานไหมล่ะ ก็ดีนะมีมีโอกาสใหม่ก็จะไม่ทำรายการนะถ้าไปจีนก็ไม่ได้ทำรายการตอนนี้กนลกังตัดสินใจห่ะหลง อ, อืมรักพี่เสียดายน้องก็ลำบากนะ เหมือนหลวงพ่สมัยที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ต้องตัดสินใจว่าจะบวช ด, ดีหรือไม่บวช ด, ดีตอนนั้นก็เทประมานใจถูกมากเลยไม่รู้จะเอาทางไหนดีอแต่พอตัดสินใจได้แล้วโล่งเลยเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกไปอหนูต้องตัดสินใจแล้วอย่าไปคาลาคาสังเลย มันเนี่ยทางใดทางหนึ่งตัดสินใจไปมันต้องไปทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วลองลองลองถามใจตัวเองดูว่าชอบชอบอันไหนมากกว่าแต่ถ้าทางทางโลกยังมันมันยังไม่ไม่ไม่เหมือนกับทางทางธรรมถ้าตัดสินใจบวชนี่มัน มันเลือกมันแบบฟ้ากับดินเนี่ยแต่ของหนูนี่มันก็เป็นเหมือนกับดินกับดินน่ะก็ดินไหนดีกว่าแต่สำหรับการบวชกับการไม่บวชนี่มันเหมือนกับเป็นทางเลือกระหว่างฟ้ากับดิน mm hmm. การบวชนี่มันก็ฟืนความรู้สึกของเราแต่ประโยชน์ที่มันได้รับมันมหาศาล mm hmm. ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ประโยชน์ ได้เท่ากับการได้รับประโยชน์จากการบวชล้วก็โชคดีที่ตัดสินใจมาทางนี้ไม่ไม่ผิดหวังแต่มันก็เป็นทางเหมือนกับทางขึ้นเขามันต้องมีความเพียรพยายามมากต้องปฏิบัติต้องบังคับตัวเอง ต้องฝืนความยากต่างๆแต่พอมันถึงยอดเขาแล้วมันก็สบายมองจากเขาลงมันก็มองไปได้ทั่วไปหมดเห็นอะไรสวยงามไปหมดถ้าไม่ได้มาทางนี้มันก็ยังต้องทุกข์กับเรื่องต่างๆ ถึงแม้ ว, ว่าจะได้งานดีขนาดไหนได้เงินเดือนดีขนาดไหนได้อะไรดีขนาดไหนได้ของดีๆทั้งหลายมามันก็ต้องมีวันจากกันมันก็ยังไม่หนีไม่พ้นความไม่สบายใจอยู่เราอยากได้อะไรเราได้มาแต่ของที่เราได้มานี่มันในที่สุดมันก็ต้องมีการจากกัน เขาไม่ไปก่อนเราเราก็ไปก่อนเขาก็ได้ยนันหนาควรจะคิดถึงทางที่สามทางเรื่องที่สามคือทางบวชอาจจะเอาทางทางนี้ทางที่หนึ่งที่สองนี้เป็นเป็นเป็นใบเบิกทางก่อนก็ได้ ไปทางานเก็บเงนินเก็บทองไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อเราจะได้ไปบวชได้ไปปฏิบัติเพราะเป็นผู้หญิงก็บางทีมันยังต้องใช้อาศัยเงินทองอยู่บ้างเพราะมันไม่มีใครเขาสนับสนุนเหมือนกับบวชพระถ้าบวชพระนี่ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยทุกอย่างฟรีหมดปัดจจัยสี่ อาหารบินทบาทจีวรยารักษาโรคกุคติที่อยู่อาศัยมีพร้อมบริบูรณ์ประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่พร้อมเพียงต่อการบวชจริงๆใครอยากจะบวชแล้วสามารถบวชได้อย่างสบายไม่ต้องมากังวลกับเรื่องปัจจัยสี่ มีสถานที่ปฏิบัติมีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนความทุกประการสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็อาจจะมีบางแห่งบางวัดที่เขาจะ เ, าเลี้ยงดูอย่างเต็มที่แต่บางวัดก็อาจจะต้องให้เพื่อตัวเองบ้างแต่คิดว่า ควรจะมองให้ไกลมองถึงทางเดินที่เรากําลังเดินอยู่นี่ว่ามันจะไปสิ้นสุดอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาศึกษาทางพวุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ทางเดินว่ามันมีอยู่สองทางด้วยกันทางเดินของชีวิตของพวกเราเนี่ย ทางเดินที่เวียนอยู่ในวงเวียนกับทางเดินที่พาเราไปสู่บ้านของเราถ้าเราทํางานทําการหาเงินหาทองแล้วก็หาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองที่เราหามาเราก็จะเดินอยู่ในวงเวียนอพอ ความสุขที่เราหากันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มันจะต้องมีวันสิ้นสุดสำหรับชีวิตนี้ชาตินี้แต่ความต้องการของเรากับความสุขต่างๆมันยังไม่สิ้นสุดพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังมีความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้อยู่หาความสุขจาก การหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายมันก็เลยทำให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่เหมือนกับที่เรามาเกิดกันในชาตินี้ชาติก่อนเราก็ทำแบบนี้มาก่อนชาติก่อนเราก็เกิดแล้วเราก็ จะเริ่โต๊โตแล้วก็หาเงินหาทองพอได้เงินทองเราก็ไปซื้อความสุขชนิดต่างๆกันซื้อไปหาไปใช้ไปจนแก่ตายพอแก่ตายเราก็กลับมาใหม่เพราะความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้มันไม่หมดมันมันไม่มีวันหมด เราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จากวิธีทําให้มันหมดเราจะไม่รู้จักทางออกจากการออกจากการเดินรอบวงเวียนอันนี้วงเวียนแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเราก็ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วก็ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตาย วนอยู่อย่างนี้มานับไม่ท้วนนะว่ากี่ครั้งนี่กันแล้วก็จะวนอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรารู้จากทางออกจากการวนเวียนอยู่ในวงเวียนอันนี้ทางที่จะพาเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือการบวชนี่เอง การบวชนี้จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะการบวชจะทำให้เรากำจัดความอยากที่จะหาความสุขจากทางร่างกายกันเวลาบวชแล้วเราก็จะละการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันการรักษาศีลการนั่งสมาธิ การเจริญปัญญานี่เป็นวิธีที่เราจะสร้างความสุขทางใจและหยุดความอยากทางร่างกายหยุดความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายพอเราหยุดการหาความอยากหาความสุขตามความอยากทางร่างกายได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด เราก็จะไปถึงบ้านของเราบ้านที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับเราอีกแล้วเพราะบ้านนี้มีความสุขตลอดเวลามีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธจเจ้าไปถึงบ้านหลังนี้แล้วคือพระนิพพานแล้วพระองค์ก็ เขียนแผนที่ให้พวกเราบอกว่าถ้าอยากจะไปบ้านนี้อยากจะไปพบกับพระพุทธเจ้าให้เดินไปทางนี้เดินไปสู่การบวชกันถ้าบวชได้แล้วสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้รักษาศีลให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งปวงเห็นว่าสภาวธรรมทั้งปวงนี้เป็นทุกข์เห็นว่าสภาวธรรมนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเราอยู่ในขณะนี้มันเป็นเพียงของเราชั่วคราว เดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไปหมดร่างกายนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไปทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่เราหามาได้ก็จะต้องเสียไปหมดถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้ไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ต้องกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญา เราก็ยังจะอยากได้สิ่งเหล่านี้อยู่เราเสียสิ่งเหล่านี้ไปไม่รู้กี่ครั้งละเสียร่างกายไปไม่รู้กี่ครั้งละเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเสียตําแหน่งเสียยศเสียอะไรไปทุกครั้งที่เรามาเกิดนี่เราก็จะได้ลาบยศกันบางคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็น ประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าเป็นขุนานางเป็นอะไรกันแต่มันก็เป็นเพียงชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปก็เสียไปหมดคืนเข้าไปหมดเห็นไหมเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอตายไปก็ต้องคืนตําแหน่งนี้ให้คนอื่นไป คนอื่นก็ขึ้นมาเอาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ต่อไปนี่คือปัญญาเราต้องเห็นว่ามันของต่างๆที่เราหามานี่มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเราจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีมันจากไปก่อนที่เราจะตายก็ได้ดูข่าวข่าวเนีย ถูกปลดกันถูกอะไรกันมีตำแหน่งมีอะไรกันก็ถูกปลดกันเพราะไม่มีอะไรแน่นอนมีขึ้นก็มีลงได้มีเจริญก็มีเสือ่อมมีเกิดก็มีดับนี่คือสภาวธรรมคือของต่างๆสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ อย่างนี้ขึ้นๆลงๆแต่เราไม่มองกันเรามองแต่ทางขึ้นอย่างเดียวเห็นว่ามันต้องขึ้นอย่างเดียวเห็นว่าได้มาแล้วต้องอยู่กับเราไปอย่างเดียวจะไม่จากเราไปพอเวลาจากไปแล้วเป็นยังไงทรมานใจไหมทุกทรมานใจไหม รู้ข่าวคนเคยเป็นมียอเป็นนายพลเอันนี้ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางมีตำแหน่งเป็นทำงานในวังก็ถูกปลดให้มองอย่างนี้เราจะได้ไม่ไปหลงไปอยากได้สิ่งเหล่านี้เพราะเวลาเสียไปจะเสียใจมาก อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่เป็นอะไรดีกว่าแล้วสามารถมีความสุขได้มากกว่าการมีอะไรหรือเป็นอะไรเสียอีกดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชกุมารราชโอรสเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีปราสาทสามฤดูมีทรัพย์มี บริษัทบริวารที่คอยรับใช้คอยถวายความสุขในรูปแบบต่างๆแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันไม่เที่ยงทรงเห็นว่าร่างกายของพระองค์ที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปพระองค์ก็เลยไม่อยากจะ อยู่กับความสุขแบบนี้พ่อรู้ว่าจะต้องจากกันเพราะนั้นพระองค์จากกันจากซื่อแต่ตอนนี้ดีกว่าจากจากตอนที่พระองค์ยังสามารถไปหาความสุขแบบอื่นได้คือความสุขจากการออกบวชอย่าไปคิดว่านักบวชนี่เขาทุกข์กันนะตอนทุนอาจจะทุกข์ตอนที่บวชใหม่ๆมันอาจจะทุกข์เพราะยังไม่ได้รับ ผลจากการบวชจากการปฏิบัติแต่พอได้รับผลแล้วมันจะได้ความสุขที่ทดีกว่าความสุขจากสภาพเดิม เ, เข้ามาข้างในก็ได้นะนเข้ามาได้าา อ, อยากจะถอยอะไรก็เข้ามา่วนได้กี่วันห้าวันคอร์ ทำใกล้ๆหนึ่งสอบสอบถวายของพระต้องอยู่ในระยะหนึ่งสอบครับหเลยว่าลดลติดมากเลยพีสุดเลยเพราะว่าอบเปสายสอบวันนเะว่าเด็กเขาพอฉันเช้าเสร็จเขาก็ทำวัดเช้าก่อนใช้เวลานิดเดียงไม่ตปนไรหรอกไม่เด้เป็นเรื่องคอขาดแบบตาเลย ันธรรมดาคนไม่มากเราก็ไปแบบสบายสบายไปแบบรถรถธรรมดาไม่ใช่รถ ด, ด่วนถ้าสาวอาทิตย์นี่ต้องไปแบบรถ ด, ด่วนเทศการเดียวจบเลยคือถ้าวันสาวอาทิตย์มาถ้ายังเทศอยู่ก็อยากเพิ่มเข้ามาเพราะว่าคนนั่งฟังกันเยอะก็เลยต้องเทศยาวถ้าแต่ละคนก็จะคอยจะเข้ามาเดี๋ยวมันเทศไม่จบ มันมาเหมือนกับรถไฟเดี๋ยวต้องจอดทุกสถานีแต่วันธรรมดาเราไม่ได้รีบนอนไปไหนก็เลยไปแบบสบายๆใครจะมาก่อนนอนหลังจะเข้ามาก็ได้จะรอก็ได้ก็พูดไปตามตามตามเพลงก็แล้วกันตามกระแสของเรื่องราวที่พูดพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบวชพอดี ว่าเรื่องบวชการบวชนี่เป็นการกระทําที่ดีที่สุดที่วิเศษที่สุดที่มนุษย์เราจะทําให้กับตัวเราได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีการกระทําอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากการบวชนี้ท่านนั้นแล้วก็พพดพอดีเกี่ยวกับผู้หญิง ผู้หญิงก็น่าสงสารผู้หญิงบางคนอยากจะบวชก็หาที่บวชยากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่มีวัดบวชเยอะเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ยอมบวชกันบวชก็บวชแค่สิบห้าวันเดือ น, นหนึ่งสำหรับผู้หญิงบางคนก็อยากจะบวชอย่างพระเนี่ยก็มีสำนักชีที่บวชได้มีไม่มากก็หายาก แล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนกับวัดวาอารามต่างๆเ mm hmm. พราะไม่ทีก็มีจํานวนน้อยแล้วก็อาจจะไม่มีผลงานมาอวดโชว์เหมือนกับพระสององค์เจ้า mm hmm. พระสององค์เจ้านี่ท่านมีผลงานมา ต, ตลอดต่อเนื่องตั้งแต่พระพุทธเจ้ามา มีการบวชมีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมกันมาอย่างต่อเ น, นื่องมีความประพฤติ ด, ดีปฏิบัติดีทำให้มีคนเคารพนับถือมากแต่ทางฝ่ายผู้หญิงนี่ค่อนข้างจะล้มลุกคุกขานยุคนักแรกก็มีบวชภิกษุณีกันแล้วตอนหลังก็ไม่มีใครสนใจที่จะบวชก็เลยภิกษุณีก็เลยหายไปหมดไป พอหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้ไม่ให้บวชขึ้นมาใหม่เทืยว่าถ้าหมดแล้วก็หมดไปภิกษุณีเลยไม่มีผู้หญิงเลยต้องบวชชีแทนบวชชีก็มีจำนวนคนคนบวชชีกันก็น้อยผลงานที่จะมาสร้างความประทับใจให้กับศรัทธายาโยมก็เลยมีน้อยคนเลยไม่ค่อยมีศรัทธาที่จะสนับสนุน สันนักแม่ชีกันก็ส่วนหนึ่งก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ตามวัดกันนะะไปอยู่ในวัดแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ได้ศึกษาให้ได้ปฏิบัติให้ได้บรรลุธรรมกันเห็นสำหรับผู้หญิงที่เกิดมาแล้วอยากจะบวช น, นี่ก็รู้สึกจะ อาภัพวาสนากว่าผู้ชายผู้ชายที่อยากจะบวชนี่โอโ้โหบวชที่ไหนก็ได้แต่มีวัดทั่วประเทศไทยแต่ก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะบวชกันสมัยก่อนยังบวชกันสามเดือนหนึ 1, ่งพรรษาแย่นี้ไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าเราจเจริญทางด้านวัตถุกัน เราก็เลยไปหาวัตถุเป็นที่พึ่งกันไปทำงานกันไปหาเงินหาทองกันพึ่งเงินพึ่งทองเป็นสาระเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเราก็เลยไม่เห็นความสำคัญของเครื่องมือของทางพระพุทธศาสนาที่ให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าที่ยาวกว่าที่ท้าวร แต่เราไม่รู้กันเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการบวชแบบจริงจริงจังๆก็บวชไปตามธรรมเนียมประเพณี<ม>ก็เลยเอาแค่พอหอมปากหอมค อ, อ <c oughs> เดี๋ยวนี้บวชกันบางคนก็บวชเช้าสึบเย็นก็มี <c oughs> <c oughs> บวชหน้าไฟเลย ไม่ผิดเราเพียงแต่ว่ามันก็มันเหมือนกับซักผ้าแบบ น, น้นผ้ายังไม่ทันเปียกน้ำก็เอาขึ้นมาตากเลยการบวชก็เหมือนกับไปซักใจเราเนี่ยแหละใจของเรามันมีกิเลสตัณหามันเป็นของสกปรกของใจมันทำให้ใจเราเศร้าหมองทาให้ใจเราไม่มีความสุขกันมีความทุกข์กันการมาบวชนี่ก็เป็นเหมือนกับมาซักใจ ผลซักเสื้อผ้าเนี่ยซักเสื้อผ้ามันก็ต้องใส่ไปในน้ําแช่น้ําอำใส่แพรบใส่สบู่อะไรแล้วก็ต้องขยี้มันต้องขัดต้องถูมันคาบสกปรกต่างๆมันถึงจะออกได้ไม่ใช่พอใส่ไปปับ๊บก็เอาขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> มันก็เลยัยงไม่ทันมีโอกาสที่จะได้ซักล้างกันเอยบวชชั่วขาวมันยังไม่มีโอกาสที่จะได้ เข้าไปขัดเกลากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจก็เพียงแต่ไปสัมผัสส่วนใหญ่ก็ไปสัมผัสทางรูปธปรรมสี้มากกว่าได้โกนหัวได้ห่มผ้าเหลืองได้ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวแล้วก็ติดไว้ในบ้านครั้งหนึ่งเคยได้บวชกัน <c oughs> แต่เนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนานี่แทบ จ, จะ ไม่ได้เลยได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวพอเสร็จออกมาไปทํางานทําการอะไรก็ลืมหมดแล้วก็น่าเสียดายแต่ก็ <affili ates> ไม่แน่นะคนบางคนมาบวชสิบห้าวันนี่แต่เดี๋ยวคราวหน้าก็อาจจะกลับมาบวชยาวก็ได้อันนี้เขาก็บวชเพราะเหมือนกับเป็นหน้าที่ เป็นลูกที่ต้องบวชทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่ตามธรรมเนียมตามความเชื่อว่าการบวชนะลูกบวชแล้วจะได้ให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์พ่อแม่จะขึ้นสวรรค์กับการบวชของลูกได้ก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องไปวัดไปทําบุญไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลไปฟังเทศฟังธรรมอย่างเนี้ถึงจะไปสวรรค์ได้ แต่ถ้าบวชแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ไปทาบุญทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ก็ไม่ได้อะไรเพราะการบวชของลูกนี่เป็นเพียงเป็นอุบายวิธีที่จะดึงพ่อแม่ที่ไม่เคยเข้าวัดให้ได้เข้าวัดกันเพราะว่าถ้าเวลาลูกไม่บวชก็ไม่เข้าวัดกันแต่พอลูกบวชนี้ต้องมาทุกวันเลยเพราะห่วงลูกคิดถึงลูก กลัวลูกจะอดก็เลยได้มาทำบุญทำทากับลูกคนเดียวก็ไม่ได้เพราะในวัดก็มีพระหลายรูป ก, ก็เลยได้ก็เลยต้องทำกับพระหลายรูป ก, ก็เลยได้ทำบุญแล้วก็ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะรักษาศีลอาจจะฝึกนั่งสมาธิไปพ่อแม่บางคนหลังจากที่ลูกศึกไปแล้ว ก็มาประจาต่อลูกไม่มาแล้วแต่พ่อแม่กลับมาต่อเพราะพ่อแม่ได้รับประโยชน์จากการที่มาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ทัธรรมแล้วจิตใจมีความสุขมากขึ้นเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยความสุขใจก็คือสวรรค์ดีๆนี่เองนรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจนรกก็คือความรุ่มร้อนใจความทุกข์ใจความกังวลความห่วงใยอะไรต่างๆนี่ เป็นนรกส่วนความสุขใจอิ่มใจสบายใจเนี่ยเป็นสวรรค์พอได้มาทำบุญทำทานได้รักษาศีลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติตามคำสอนชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้เบาบางลงจิตใจก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็เลยติดใจก็เลยถือการมาวัดเป็นหน้าที่ไป ถึงแม้ว่าลูกจะลาศิกขาไปแล้วแต่พ่อแม่ก็ยังมาอยู่และมาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าอายุมากขึ้นก็งานการก็จะหมดจ ะ, กะเกษียณพอกเกษียณราชการก็มีเวลามาเข้าวัดมากขึ้นมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นอย่างนี้แหละได้ไปสวรรค์นแน่ๆนี่คือ ความหมายของการเกาะชายผ้าเหลืองคือให้ลูกดึงพ่อแม่เข้าวันพเพื่อให้พ่อแม่ได้มาดูหนังตัวอย่างพอได้ดูหนังตัวอย่างแล้วก็ติดใจอยากจะดูหนังจริงก็จะมาดูอยู่เรื่อยๆเราที่เขียนไว้นเนีัฒน์ใต้วไปดกที่บอกว่าเ อ, อ, อย่างพ่อแม่จะได้อา น, นิสงส์แบบสามรือสองกัป มันอยู่บนสวรรค์หรือว่าถ้าสมมติคนที่บวชคาแล้จิตทรงฌานได้ก็จะได้แบบอยู่แบบบนชั้นพรมอสองกับเนี่ครับก็ต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไงก็ต้องปฏิบัติไงจะไปได้สวรรค์ชั้นพรมก็นั่งนั่งสมาธิหายใจได้ฌานขั้นต่างๆถ้าเพียงแต่ทําบุญแล้วก็รักษาศรรีลก็จะได้ชั้นเทพชั้นต่างๆทําทํามากก็ได้ชั้นเทพที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ อันเทพนี่ก็เป็นเหมือนโรงแรมที่มีดาวต่างกันมีหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวถ้าเราอยากจะอยู่โรงแรมห้าดาวเราก็ต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยใช่ไหถ้ามีเงินแค่หนึ่งดาวไปอยู่ห้าดาวเขาก็ไม่ให้อยู่ใช่ไหเพราะไม่มีเงินจ่ายสวรรค์นี่ก็เหมือนกันทำบุญแสนหนึ่งก็ได้สวรรค์ชั้นหนึ่งดาวทาบุญล้านหนึ่งก็ได้สองดาวทาบุญสิบล้านก็ได้ ห้าดาวอย่างนี้ก็อยู่ที่จํานวนเงินที่เราบริจาคไปมันก็จะทําให้เราได้ความสุขจากการบริจาคเงินทองนี่เอาไม่เชื่อลองพิจารณาเปรียบเทียบดูกับตัวเองทําเงินทําบุญพันหนึ่งกับทาบุญแสนหนึ่งนี่มันอันไหนมันจะมีความรู้สึก ด, ดีกว่ากันใช่ไหม อ๋อไม่เป็นไรคนที่ไม่มีสตางค์มากเขาก็ต้องพัฒนาไปชานี้ก็ทําตามกําลังของเขาไปแล้วชาติหน้าเขามาเกิดใหม่เขาก็จะมีสตางค์มากขึ้นเพราะเงินทําบุญนี้ไม่สูญหายไปจะกลับมามีดอกเบี้ยให้ด้วยเช่นชาตินี้ทําไปแสนหนึ่งชาติหน้ากลับมาเขาจะมารวยเป็นล้านชาตินี้ทําบุญเป็นล้านชาติหน้าก็กลับมาเป็นมีเงินเป็นร้อยล้านนี่ มันจะค่อยๆพัฒนาไปอย่างพ่อแม่นี่คือได้แบบ้สมบัตทันทีเลยใช่ไหมครับถ้าเราตั้งใจแบบบวชหรืออะไรพ่อแม่ต้องทําก็ได้ทันทีตรงที่ต้องจ่ายเงินค่าบวชให้เราเนี่ย <c oughs> แต่เม่เวลาบวชก็ต้องเสียเงินแล้วเนี่ยต้องซื้อผ้าไตจีวรอ่านั่นแหละค <c oughs> ่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นทานนะเป็นการทําบุญทําทานแล้วเขาก็ได้ทันที <c oughs> แต่เรายังไม่ได้อะไร คนบวชยังไม่ได้เลยคนบวยก็ต้องรักษาศีลให้บริสุดถึงจะได้แต่ถ้ารักษาแค่สิบห้าวันนี่เดียวมันก็อาจจะไม่พอเดี๋ยวพอเสร็จมาแล้วพอไม่รักษาศีลมาทํำบาศีลมันก็เหมือนกับหนี้ที่เราหนี้ที่เราไม่ไปทําไ ม, ไม่ไม่ไปก่อกสร้างขึ้นมาคือถ้าเรารักษาศีลเราก็ไม่ไปสร้างหนี้ แต่พอเราไม่รักษาศีลเราไปทําบาปแล้วก็ไปสร้างหนี้ขึ้นมาไอ้นี่มันก็จะมันก็จะบวกไปเรื่อยๆ ท, ทบไปเรื่อยๆพอตอนตายมันก็จะมารวมยอดว่าปีชาตินี้ทําบาปมากี่ข้อกี่ครั้งแล้วมันก็ต้องไปใช้หนี้ส่วนบุญก็เหมือนกันบุญที่เราทํามันก็จะมาะมาสะสมรวมกันพอตอนตายนี่ บัญชีบุญกับบัญชีบาปมันก็จะมาดูว่าอันไหนมีมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปไปรับผลบุญก่อนไปเกิดในสวรรค์ก่อนแล้ว่ลงมาเป็นมนุษยอ์อ่แล้วพอบุญกับบาปเท่ากันก็ลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทําบาปใหม่ <c oughs> เช่นเดียวกับถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง แล้วพอบุญกับบาปมันเหลือเท่ากันมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่เวลากลับมาเกิดนี่มันก็จะกลับมาทำบุญทำบาปตามนิสัยที่เราเคยมีอยู่ถ้าเรามีนิสัยทำบุญเราก็จะทำบุญถ้าเรามีนิสัยทำบาปเราก็จะทำบาปถ้าเรามีนิสัยทั้งสองอย่างวันพักก็ไปทำบุญมันธรรมดาก็ไปกินเหล้า มันก็ทําทั้งบุญทําทั้งบาปแลเดี๋ยวตอนตายชีวิตตอนที่ตายบุญกับบาปมันก็จะมาบวกลบคูณหารกันถ้าอันไหนมีกําลังมากกว่าก็จะดึงไปทางก็จะเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไปขึ้ น, น, นลงล ง, ลงไปจมก่าจะมาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้บวชเพื่อมาตัดกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดกัน ถ้าเราบวชแล้วเราทำลายกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความโงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็จะไม่มีตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดถึงแม้ยังมีบุญมีบาปอยู่แต่มันไม่มีไม่มีตัวดึงตัวดึงคือตัวความอยากพอไม่มีความอยากก็ไปนิพพานแทนไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทำบุญทำบาป แล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเหมือนกับถอนตัวออกจากเวทีการเมืองเนี่ยเลิกเล่นการเมืองถ้าเล่นการเมืองก็ต้องไปหาเสียงต้องไปทำอะไรแล้วพอได้ตำแหน่งก็ต้องไปทำงานทำแล้วเดี๋ยวก็พอบบทพอครบวาระก็ต้องหมดตำแหน่งไปต้องมาหาเสียงใหม่ คนที่ไม่เล่นการเมืองก็ไม่ต้องมาเหนื่อยมาวุ่นวายกับการหาเสียงกับการอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราเลยพวกเราวุ่นวายอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนกันใช่ไหมเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันแล้วก็หาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆกันหาได้มากหาได้ น, อน้อยเดี๋ยวตายไปก็หมด หมดแล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่เพราะยังมีความอยากอยากที่จะหาความสุขแบบนี้ต่อไปกอเลยต้องกลับมาเกิดใหม่จะมาเกิดดีหรือไม่ดีสูงหรือต่ำก็อยู่ที่บาปที่บุญเราทำไว้นี่แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระาศาสนาที่สอนว่าถ้าไม่อยากจะมาเล่นการเมืองมาต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างนี้ก็ไปบวชซะ ไปบวแล้วก็ไปทําใจให้สงบเพอใจสงบแล้วจะหยุดความอยากได้เพราะความสงบนี้มีความสุขในตัวของมันมันทําให้เรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีสิ่งต่างๆอย่างที่พวกเรามีกันอยู่นี่สาเหตุที่พวกเราต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเราไม่มีความสุขในตัวเราเอง เราก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกกันแต่พวกที่เข้ามาบวชนี่เข้ามาสร้างความสุขภายในตัวเขาเองเ้าก็มีความสุขภายในตัวเขาเองเขาก็ตัดความอยากที่จะมีสิ่งต่างๆได้เขาก็ตัดความอยากได้เขาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วอัอนนี้ส่งการสร้างแบบกันแบบช่วยซ่อมบำรุงใจดีไหมครับมีอะไรสหรับแรงไหมครับก็เป็นทานอย่างหนึ่งเจ้ <ไ>จะเป็นมาป ก, ปกตินะครับแรงของการให้ทานแบบใส่บาตรหว่าก็อยู่ที่จํานวนเงินที่เราอาส่เข้าไปผลที่เราเสียสละกนี่เราเสียสละกมากน้อยเสียสละมากก็ได้ผลมากตามตามกําลังของเราถ้าเราบริจาคเงินซ่อมเจดีย์แสนหนึ่งกับบริจาคซ่อมเจดีย์ล้านหนึ่งนี่ผลมันก็ต่างกัน แต่เรามีกำลังเท่าไหร่เราก็ต้องทาไปตามกำลังของเราเช่นเราไม่มีเงินล้านเราก็ต้องทาในระดับเงินแสนไปก่อนแล้วพอชาตินาลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีเงินระดับเงินล้านถ้าเราทําต่อไปเราก็จะมีเงินมากขึ้นไปเรื่อยๆสามารถทําได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพระเวชสารดอตอนที่เป็นพระเวชสารดอก็มีอะไรใครต้องการอะไรขออะไรก็ให้ไป อยาต้องการช้างมา้าวัวควายต้องการข้าวของเงินทองต้องการลูกก็ให้เขาไปรอยจากท่านยินดีทำทานท่านถือว่าไม่ได้เป็นของท่านตายไปก็เอาไปไม่ได้ท่านก็เลยเชื่อในการทำทานมากพอตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่รู้ชั้นห้าดาวมัง่งแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้ทราบสมบัติมากกว่าตอนเป็นพระเวชสันดรนีก <Yeah. S 1> แล้วก็ได้ออกบวช <Yeah. S 1> ก็เลยได้ตัดความอยากตัวที่คอยดึงให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตาย <Yeah. S 1> ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป <Yeah. S 1> อยู่ที่นิพพานที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่จะหาได้จากการมาเกิดแก่เจ็บตายกัน yeah. <Yeah. S 2> การเกิดแก่เจ็บตายนี้ <Yeah. S 2> นอกจากได้ความสุขแล้วมันต้องมีความทุกข์แถมมาด้วย yeah. เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาพัดภาคจากของที่เรารักบุคคลที่เรารักนี่มันทุกข์ทรมานใจมากแต่ที่พระนิพพานจะไม่มีความพัดภาคจากกันจะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายจะมีแต่ความสุขตลอดยี่บสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะใจไม่มีไม่มีตัวที่มาทาให้ใจหิวใจโหยใจอยากอีกต่อไป ก็คือความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงนี่นี่แหละเป็นเป็นผลที่เราจะได้รับจากการบวชแต่บวชต้องบวชแล้วไม่เสกถ้าบวชเสกแล้วก็บวชแล้วรายรายการสิบห้าวันสงสัยจะมี แ, บบแวแต่ถ้าเกิดว่าอย่าง อ, อ, อย่างถ้าเกิดว่าคนแบบไม่ไ ด, ดีกับเราเนี่ยครับเราถ้าเราไปดีเขาเนี้ยเราบาปไนมครับ แต่บาปมันทาดีมันต้องย่าดได้ดีสินคนที่แบบว่าเหมือนทําคุณบูชาเพรากดสัตว์ได้บาปเหครับเพราะพระเจ้าของไม่ดีอะมันดูไม่เมเซ์เซนที่เราจะทำดีคนนี้มันไม่ดีกับเราถูกไหมครับคือการทําความดีไม่ว่าทํากับใครมันดีเสมอคนทํำจะได้ความสุขเสมอเราไม่ได้ไปกังวลกันเรื่องคนเอื่นเราทําเพื่อความสุขของเราเหมือนกับเรากินอาหารเนี่ยเรากินอาหารเพื่อให้เราอิ่มเรามีความสุข ถ้าการการทำความดีเพื่อให้เรามีความสุขเราก็ต้องทำแม้แต่คนไม่ดีเราก็ทำแต่เรามีขอบเขตมีขั้นตอนของการทำเช่นตำรวจเวลาเขาไปจับผู้รายย้ายแล้วถูกผู้ร้ายถูกยิงเนี่ยเขาก็ยังต้องเอาไปรักษาตัวจับไปขังคุกเขาก็ยังต้องเลี้ยงอาหารให้เขากินใช่ไหอันนี้ก็เป็นการทำความดีแต่ต้องมีมาตรการ คือต้องจับเขาขังไว้ในกรงไม่ปล่อยให้เขาออกมาทำร้ายผู้อื่นคือเรื่องของมนุษยธรรมนี่ต้องต้องดูแลกันไม่ว่าจะเป็นโจรหรือเป็นคนดีก็ต้องกินเหมือนกันต้องอยู่เหมือนกันอันนี้การเลี้ยงดูเขานี่ก็เรียกว่าเป็นการให้ความเมตตาต่อกันให้ความเมตตกับเขาแล้วเราก็จะมีความสุขใจ แต่เราต้องควบคุมเขาไม่ปล่อยให้เขาออกมาเพ่นพ่านเท่านั้นเองเพราะ <Night of them> เขาไม่ดีเพราะถ้าเขาออกมาเพ่นพ่านเดี๋ยวเขาก็จะไปทำร้ายผู้อื่นเ้าใจไหมเรื่องของการทำดีข้าถามนิดนึงที่ท่านบอกว่าทำบุญเยอะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงแล้วถ้าคนที่โกงเงินเข้ามาหรือเงินที่มันไม่บริสุทธิ์ คือหนูเคยเจอคนแบบนี้ค่ะ<ช>เขาก็ทำบุญเยอะมากทำแบบเป็นแสนเป็นล้านเพราะว่าเป็นเงินที่ไม่ได้ทำมาด้วยตัวเองเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอาธิษฐานว่าชาติหน้าอยากให้เป็นมหาเศรษฐีมากยิ่งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาจะได้บุญหรอคะแบบนี้คือเงินที่ได้มาด้วยการกระทำบาปเนี่ย<ช>มันมันไม่เป็นเงินที่สะอาดอ่ามันมีโทษ คืแทนที่จะไปสวรรค์มันไม่ได้ไปหรอกเพราะมันต้องไปเกิดในอบายเพราะว่าไปขโมยเงินเข้ามาคือเป็นเงินที่ตดพูดโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มาได้ด้วยตัวเอง อ, อันนั้นก็จะไม่มีอนิสงส์ส่งให้เข้าไปสวรรค์เพราะบาปที่เขาทานี่มันร้ายแรงกว่าบุญที่เขาได้รับจากการทําบุ ญ, บ ญ, บญการจะได้บุญ ผลบุญจริงๆนี่ต้องเป็นเงินที่เราหามาด้วยความบริสุทธิ์มหามาโดยสามาชีอันนี้จะจะมีมีมีมีอ น, นิสงส์มากกว่าเงินที่เราได้มาจากการไปขโมยเงินของคนอื่นม า, เ, าเงินที่เราขโมยมานี้มันไม่ได้เป็นของเราเัางนั้นการทำบุญนี้ด้วยเงินที่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะไม่ได้บุญนั้นและนอกจากนั้นเรายังต้องไปรับผลบาปอีก เพราะเราไปขโมยยั น, นการทําบุญด้วยเงินที่ขโมยมานี่ไม่ได้บุญหรอกได้บาปได้ไปอบายไม่ได้ไปสวรรค์อย่าเข้าใจผิดเวลาฟังเขาพูดเหมือนกับเหมือนเขาจะซื้ออนาคตชาติหน้าก็ท น, น, นะั่นแหละทาพูดเหมือนแต่ว่าซื้อได้เพียงแต่ว่าขอให้เป็นเงินที่สะอาดนี่เป็นเงินที่เราหามาได้ด้วยความสุดจริต เรียธรรมาหากินเก็บออมไว้แล้วเราเห็นว่ามันมีมากเกินไปตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราก็ทำบุญไปเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะมีเงินมากแต่พอทารรมาหากินไปแล้วมันมาเองเราทำจริงๆก็เพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่พอดีมันโชคดีขายดีขายของได้ที่คนก็อยากจะซื้อ ก็เลยมีรายได้มากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้เราก็าส่วนเกินนี้ไปทงบุญเพราะเก็บไว้มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ถ้าเงินแบบนี้จะเป็นเงินที่ได้บุญมากกว่าหรือการการไปไปไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบนี้มันเป็นบาปแล้ว มันบาป ก, ก็คือต้องไปอบายไปเกิดเป็นสุนัขหรือไปเป็นเปรตอย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์เล่าว่าคนเกิดแต่ละชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคนที่เขาอาจจะทำบุญมาในชาติก่อน mm hmm. เกิดชาตินี้เขาชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างมีการงานการเงินทุกอย่างแต่ถ้าเขาไม่ทำบุญ ชาตหน้าเขาก็ไม่มี ม, มันก็จะเหมือนกับว่าบุญก็จะถอยหลังไปอีกมันก็จะถดถอยลงไปเพราะบุญที่เราทําเนี่ยมันก็อานิสง์มันเกิดแล้วมันก็หมดอถ้าเราไม่ไม่ทําต่อมันก็จะไม่มีบุญใหม่มาสนับสนุนแล้วเหมือนกับตอนนี้เรากินบุญเก่าบุญเก่าที่เราได้จากชาติก่อนอแต่ถ้าเราไม่ทําชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่มีบุญรอเราอยู่หรือว่าถ้ามีก็เป็นบุญที่เรายังใช้ไม่หมด บุญที่เราทำบุญเก่ายัางไม่หมดก็อาจจะยังมีเบิกอยู่บ้างก็ได้เพราะชานี้เราอาจจะตายไปก่อนนี้แล้วบุญที่เราได้ทําไว้มันยังไม่หมดเนี่ยถ้าติหน้าเร า, ากลับมาเกิดก็ยังมีบุญบ้างแต่มันจะไม่มากขึ้นมันก็จะมีแต่น้อยลงไปก็เหมือนกับเงินที่เราฝากในธนาคารถ้าเรามีแต่เบิกใช้เบิกใช้มันจะมากขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเราอยากจะให้เงินในธนาคารที่เราฝากมีเงินมากขึ้นเราก็ต้องคอยเอาเข้าไปเรื่อยๆ ได้ได้ถามเลยคือคือโยมอยากถามว่าจริ ง, จรงเจตนาที่จะทำมัเลยน ะ, ะมันจะนี่งยงมากกว่าอุดมเลยหรือเปล่าคือเจตนานี่มันเป็นตัวที่จะ<ส><ญ>ถ้าเจตนาที่ถูกต้องมันจะทำให้เราได้อ น, นิสงได้ประโยชน์มากกว่า เจตนาที่ไม่ถูกต้องเจตนาที่ถูกต้องของการทำบุญคืออะไรก็คือเป็นขั้นบันไดเป็นการสร้างขั้นบันไดให้เราได้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือถ้าเราเป็นคนทำบุญทําทานนี่เราจะเป็นคนใจบุญจะมีความเมตตาแล้วจะทำให้เรารักษาศีง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญคนที่ไม่ทำบุญแสดงว่าเป็นคนที่หวงเงินตนัณฑ์ หเห็นแก่ตัวอยากจะเก็บเงินไว้ใช้สำหรับตัวเองไม่อยากให้คนอื่นใช้แล้วก็อยากจะมีมากๆ ม, มีความโลภอยากจะได้มากๆเพราะคิดว่ามีการมีเงินมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นมีความมั่นคงมากขึ้นไปเท่านั้นก็เลยอาจจะไม่สนใจถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาทำอะไรก็อาจจะไปทำบาปเพื่อที่จะให้ได้เงินได้ทองมาตามที่ตนเองต้องการ เขาก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้เป็นสิ่งที่ยากสําหรับเขาเขาก็จะไม่สามารถที่จะก้าวพัฒนาขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่าได้เพราะธรรมที่จะพายเราไปนิพพานนี่มันมีอยู่3ามสี่ขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือการทําบุญทำทานเพื่อที่จะให้เราเก้าวขึ้นสู่การรักษาศีลการรักษาศีลก็จะเพื่อให้เราเก้าวเข้าสู่การปฏิบัติการภาวนานั่งสมาธิ ทำใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาวิปัสนาที่เป็นขั้นสูงสุด ต, ต่อไปมันเป็นขั้นบันไดงั้นถ้าเราอยากจะทำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของการทำทานก็ต้องทำเพื่อให้เร า, เาให้เกิดความเมตตาเพื่อให้เราสามารถที่จะรักษาศีลได้ให้เราลดละความโลภความอยากได้เงินทอง เพราะถ้าเรายังมีความโลภอยากได้เงินทองเราก็จะไม่มีเวลาไปทำไปปฏิบัติธรรมกันเราก็จะต้องมาหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองก็จะไม่มีเวลาที่จะไปไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราทำบุญด้วยเจตนาว่าตายไปเราจะได้ไปสวรรค์ล้วกลับมาจะรวยก่ะเก่าอันนี้ก็เป็นเจตนาที่ผิดเพราะว่าการกลับมาเกิด ถึงแม้จะกลับมารวยกว่าเกา่ามันก็ต้องทุกข์อยู่ดีเพราะยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอาันนี้ไม่ใช่เจตนาที่ถูกต้องของการทำบุญแต่มันมีอนิสงส์เป็นผลพลอยได้ถ้ายังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้เราตายไปเราก็ถ้าเราทำบุญเราไม่ทาบาปเราก็จะไปสวรรค์กันแล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาเป็นมนุษย์ที่รวยกว่าเกา่าเพราะเราได้ทาบุญ มีเงินทองเก็บเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญที่ยังมีกิเลสอยู่หรือเปล่าใช่ยังมีความโลภอยู่เไยต้องทําบุญเพื่อตัดความโลภความอยากต่างๆอันนี้ตอบตอบคําถามหรือเปล่าคนเราส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าทําบุญเพื่อให้ไปสวรรค์กันแล้วกลับมาเกิดใหม่จะได้ร่ําได้รวยซึ่งมันก็เป็นความจริงเอแต่มันไม่ได้เป็นความจริงที่พระเจ้าต้องการให้ทํากัน พระเจ้าต้องการให้เราทําบุญเพื่อให้เกิดความเมตตาให้ละความตนีละความโลภอยากที่จะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้มาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาบวชมาอยู่วัดกันนีอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของการทําทานเพราะถ้าเราทําทานไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราได้ไปรักษาศีลได้ไปปฏิบัติธรรมเราได้ไปพบกับความสุข ที่เกิดจากผลของการปฏิบัติก็จะทำให้เราทำบุญได้หมดเลยมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นได้แล้วก็ไปบวชได้อันนี้แหละคือคือการเป้าหมายของการทำทานเพื่อให้เราสละทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองไม่ให้เรามาพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้เรามาพึ่งการปฏิบัติทำเป็นเครื่องมือหาความสุขจะดีกว่า ก็จะพาไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปถ้าเราหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเราก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆการทาฐานก็เป็นการซ้อมเป็นการฝึกให้เราได้รู้จกักลดการพึ่งเงินทอง เช่นวันนี้มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟืยเห็นกระเป๋าหรือเห็นรองเท้าใหม่แล้วสวยอยากได้ก็เปลี่ยนใจเอาไปทําบุญดีกว่าเออเาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้การทํากับวัดก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับใครก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ก็อย่าทํากับตัวเราก็แล้วกันว่าทํากับตัวเราแล้วมันติดมันเดี๋ยวมันจะซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วของก็เต็มบ้านใช่ไหม มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีความรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดดีเดี๋ยวเดียวดีตอนที่ได้ซื้อใหม่ๆท่านเองพอซื้อมาแล้วมันก็หมดความหมายละความอยากจะซื้อของใหม่โผล่ขึ้นมาอีกล่ะแต่ถ้าเราเงินที่อยากจะซื้อของเหล่านี้มาทําบุญความอยากจะซื้อของเหล่านี้มันจะหายไปต่อไปเพราะเวลาทําบุญแต่ละครั้งมันจะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วต่อไปมันทำบุญดีกว่าทําบุญแล้วมีความสุขใจกว่า อาจะซื้อของก็ต้องจําเป็นจริงๆเช่นของเก่ามันเสียแล้วมันพังแล้วอต้องซื้อมาทดแทนของเก่าแต่ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็ใช้มันไปคนที่ทําบุญมักจะใช้ของเก่ากันใช้ไปได้จนกว่ามันจะพัง่ะถึงจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรซื้อของใหม่มามีความสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนที่ได้ซื้อมาเท่านั้นเองแต่ทําบุญแล้วมันสุขยาวกว่า ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำนี่เรายังรู้สึกสุขใจอยู่ทุกครั้งที่เราได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้เขามีความสุขช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเขานี่มันทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาแล้วเราจะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนคนอื่นจะไม่ชอบทําบาปถ้าเราต้องการหาเงินเราก็จะหาเงินโดยวิธีที่สุดจริตอย่างบุญที่ลักจะอุทิศให้เจ้ากันในเวร คือบุญภาวนากับบุญทัอให้ทานกับภาวนาครับอันไหแบบน้ำหนักเยีะกวกันครับคือภาวนาก็มันมากมากกว่าแต่มันยากกว่าเนี่ยมันไม่ใช่จะได้ง่ายๆบางคนภาวนาเป็นสิปียังไม่ได้เลยอแต่บุญที่เกิดจากการให้ทานนี้มันได้ปุ๊บเลยเนี่ยมาถวายปั๊บมันก็ได้แล้วอุทิศได้ทันทีเลยเพราคุณเสียสละเงินนี้คนก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่ามันจะน้อยมันมันได้ ถ้ามาจะเป็นน้ําหยดสองสามหยดถ้าบุญที่ได้จากภาวนานี้เหมือนฝนตกใหญ่แต่มันกว่าจะฝนตกใหญ่ได้นี่บางคนนั่งไปทั้งชาติยังไม่สง บ, บเลยมันก็ไม่มีบุญให้อย่าไปคิดว่านั่งเฉยๆแล้วหลับตาพุทโธพุทโธแล้วได้ได้บุญเนาะยังไม่ได้เนาะมันจะได้ก็ต่อเมื่อจิตรวมเข้าสู่ความสง บ, บได้ได้ความสุขใจที่มหาสจรย์ใจนี่ถึงจะได้บุญอย่างนี้ เนั้นการที่เราจะคิดว่าเราจะอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธินี่อย่าไปคิดเลยมันยากแต่ว่าพระบางท่านบอกว่าเหมือนเวลาถ้าภาวนาเนี่ยเราจะได้กับตัวเรามากกว่าอุทิศจะได้น้อยอะไประมาณนี้เหมือนกันอะทําบุญนี้เราก็ยังได้อยู่บุญที่เราทําวันนี้เราแบ่งให้คนคนตายได้เป็นเพียงเซี่ยวเดียวท่านนั่นเองส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของเราอยู่มันไม่เป็นเต็มเต็มแบบไม่เป็นเต็มร้อย เพราะเขาอยู่ในฐานะที่เขารับไปได้เขาไม่มีภาชนะรองรับบุญที่เราจะให้เข า, ท, าท่านเจ้าค้า อ, อย่างรููว่าปกติก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆไม่ทราบก็เป็นที่ท่านอธิบายเมื่อกี้หรือเปล่าว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันเหมือนมันเป็นไปโดยอัตโนมัติที่ว่าหนูรู้สึกว่าก็้งแหนูปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจากก่อนปฏิบัติเนีน่ยนว่า เสื้อของเนี่ยเจ็ดแปดหมื่แสนหนึ่งหนูอยากได้หนูซื้อเลยแต่จนวันนี้เนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากได้หนูซื้อเสื้อผ้าก็ร้อยสองร้อยหนูก็มีความสุขแล้วใส่ได้แล้ว อ, อย่างออของแพงๆเนี่ยกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไม่อยากได้รูมม้มันมันมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วทุกวันนี้เราก็มามาถึงจุดนี้เรามีความสุขตรงที่ว่าเรามีเงินเหลือมากขึ้น ในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีไรายได้มาเงินที่เรามีเหลือเนี่ยเราสามารถทาบุญได้มากขึ้นและเราก็ช่วยเหลือคนรอบข้างคือเหมือนว่าเรามีเมตตากับกับจิตใจเราที่เราเห็นคนรอบข้างเราทุกหรือเขามีปัญหาเราก็เต็มใจที่จะช่วยก็มันก็เป็นความสุขเหมือนกับว่าใจหนูคิดว่าคือตอนนี้เราเริ่ม เราอ่ะไม่ต้องไปมองคนอื่นไกลเราเริ่มจากคนใกล้ตัวเราที่เราช่วยเขาได้ใช่ไม่ใช่เราไปวิ่งไปช่วยทําบุญวัดนู้นวัดนี้ไกลไกแต่คนรอบตัวเราเป็นทุกข์หรือว่ามันไม่ถูกก็ต้องทำทั้งสองส่วนคนใกล้ตัวก็ดูแลกันไปพอเขาได้รับการดูแลพอเพียงแล้วเราก็ไปทําที่ไกลต่อไปที่เขาต้องเดือดร้อนต่อไปที่ทำแล้วเหมือนมันเป็นไปโดยอัตโนมัติที่ว่า เรารู้สึกสบายใจเรามีความสุขมากกว่าเดิมในแต่ละวันนี่เราไม่มีเรื่องที่จะทุกข์เลยจนถึงเพราะการทําบุญมันให้เราความสุขมากกว่าการที่เราเอาเงินไปซื้อของกันเนี่ยค่ะมีความสุขแล้วเรามีเงินเหลือเยอะเยอะที่เราจะช่วยใครได้ต้องหลายคนใช่เราไปทําบุญได้ต้องหลายที่อะไรอย่างนี้มีโอกาสที่ไปได้ไกลเราก็มีโอกาสที่จะไปได้จัดเงินที่เรามีตอนนี้ แล้เมื่อก่อนเมื่อไม่กี่ปีมานี่เคยอ่านข่าวว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเขาบริจาคร้อยล้าน <Okay. S 2> ไปสร้างโรงพยาบาลในทิศธุรกันดารสิบโรงแล้วก็ใช้ชื่อโรงพยาบาลว่าพระาจาย์มั่น <Okay. S 2> เพราะเขาเป็นเขาได้ศึกษาประวัติได้ฟังคําสอนของพระาจาันมั่นแล้วก็ประทับใจ <Okay. S 2> เขาก็เลยอยากจะทําบุญเขาก็เลยทําบุญโดยใช้ชื่อตั้งโรงพยาบาลชื่อของหลวงปู่มั่น okay. เขาบอกเขมีความสุขมากกว่าเอาเงินร้อยล้านไปซื้อลถไปซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆบางคนเอาเงินไปช้อปปิ้งร้านหนึ่งวันเดียวก็หมดแล้วแล้วก็ความรู้สึกนั่นก็หมดไปแล้วรงพยาบานได้ประโยชน์กับคนีเยอะใช่คนเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันคนตายเขาไม่มีเงินทองเหมือนเราแต่ถ้าเขาไม่ลงพยาบาลของรัฐเขาก็ยังมีที่ไปรักษาได้ใช่แล้วก็ทุกวันนี้มันเหมือนเป็นอัตา หรือล่าว่าการจะทำของเราเราจะมีสติได้มากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราเดินอยู่บางทีสติมันกลับมากาหนดได้ในสิ่งที่เราเดินหรือเราจะทำอะไรก็ตามมันมันเหมือนเป็นอัตโนมัติที่สติมันจะเข้ามาอก็ดีถ้า ม, มันมีก็ดีเพราะคนทำบุญนี่ต้องทำด้วยสติอยู่แล้วถ่ะเพาดหูก็ปกติล้วก็ปฏิบัติธรรมก็สวดมนทุกวัน ถ้าถ้าวันไหนหนูไม่ไปธุระไหนเลยเนี่ยหนูจะสวดมันทั้งวันแล้วก็นั่งสมาธิทั้งวันเพราะมีความรู้สึกว่าในในแง่คิดของหนูว่านะคะว่าหนูเกิดมาวันนี้หนูมีวันนี้คือเรามีโอกาสพร้อมถ้าเราไม่เข้ามาปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเราเสียดายที่ได้เกิดมาใช่การมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสน า, านี่เป็นของที่ยากมากยากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง <laughs> เนี่ยถ้าเราได้มาแล้วควรจะไปขึ้นรางวัลการขึ้นรางวัลก็คือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าวัาทุกวันนี้ชีวิตเราหนูมองตัวเองก็เหมือนกันหนูโชคดีก็หนูไม่ได้ทํางานแล้วก็มีรายได้มีสามีเีดูด้วยแล้วก็มีมีทรัพย์สินอะไรที่เราไม่ได้เดือดร้อนที่เราก็ถือว่า มันเป็นบุญยิ่งใหญ่มากเลยที่เรามีโอกาสได้ทํามากกว่าคนที่บางคนเขาอยากจะทําอยากจะปฏิบัติเขายังจะต้องทำงานอยู่ใช่เพราะส่วนหนึนน่งเนี่ยตชาติเราเคยลดละความโลภโกรธลงมาแล้วความอยากต่างๆมาแล้วเราเลยไม่ค่อยโลภโมโทูสันถึงแม้จะมีเงินมีทองก็ไม่ลหลงไหลไปกับการมีเงินมีทองเหล่านั้นใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลใ ช, ใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางจิตใจมากกว่าจะใช้ในทางอื่น ก็ดีทําต่อไปอหนูไม่เคยไปไปไปเที่ยวอย่างคนในกรุงเทพเพอเที่ยวจะไปละครหนูก็ไม่ดูไม่ใช่ว่าเราฝืนไม่ดูหนูก็คนไม่ชอบดูอยู่แล้วมันเป็นนิสัยของเราเป็นนิสัยของเราเราก็อาจจะฝึกมาในอดีตชาติมาก่อนมันก็ติดมากับเราก็ดีพยายามทําให้มันมากขึ้นก็แล้วกันเราบางคนบอกว่าแบบอย่าทําบุญหรือสวดมนต์เยอะเกินไปเพราะเดี๋ยวจะแบบกลายเป็นแบบ ไม่ทีาระไปเลยค่ะบวชไปเลยแบบลับทางโลกไปเลยนี้จริงเหรอครับก็จริงอ่ะแต่ทำเยอะๆมันจะได้ไปบวชจรงไงก็น่าจะดีก็ดีไงไม่ดีเหรอนี่ไงเราก็มาบวชในเพราะเราทําเยอะเนะแต่ผมอยากเป็นอยู่ในทางโลกอยู่ครับก็อยาทําาอกทําอยู่ก็ผมคิดว่ายังมีชีวิอยู่ตรงรีบทําเดี๋ยวตายเมื่อไหร่ไม่รู้อ้าวก็แล้วแต่คุณน่ยคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ได้ตามทําตามที่คุณทำแหละแต่ถ้าทําแล้วผมยังไม่อยากเป็นพระนะก็ไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรนี่ไม่มีใครบังคับไม่เป็นนั่นแหะ เ น, มม น, นี่ยการเนื้อโมทนาไม่ได้อานิสงจากการทำบุญของเขาแต่ได้จากการที่เราชื่นชมยินดีกับการทำความดีของเขาแทนที่เราจะไปอิจฉาริษยาหรือว่าไปไม่เห็นด้วยกับการทำบุญว่าเออทำเสียเวลาเสียเงินเสียทอง เราก็จะไม่เกิดความรู้สึกปลื้มปิติแต่ถ้าเราเห็นเขาทําบุญแล้วเรารู้ว่าการทําบุญนี้เป็นประโยชน์กับคนทําและคนที่เขาได้รับบุญนั้นได้รับจากการทําบุญนั้นก็เราก็ยินดีไปกับเขาเราก็มีความสุขไปกับเขาแต่เป็นคนบุญคนละอย่างกันบุญที่เกิดจากการที่เราร่วมยินดีไปกับเขาเท่านั้นเองยินโดยเฉพาะถ้าเป็นเงินของเรา เึ่นสามีเราเข้าเาเงินของเราไปทํำแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยไปทําบุญถ้าเราไม่ไม่อนุโมทนาเราก็จะเสียใจเสียเงินแล้วยังต้องมาเสียใจอีกแต่ถ้าเราอ่ะไหนๆออกไปแล้วก็เอาไปก็โอเคดินดินดินดี ด, ด, ด, ด, ด, ด้วยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นเงินของเราเราก็จะได้บุญด้วยเพราะมันเป็นเงินของเรา อออันนี้ไม่ไม่ถูกต้องแล้วการทำบุญนี่ให้ทำเงินในเงินที่เราไม่ต้องใช้เงินที่ส่วนเกินการไปหาเงินมาทำบุญใองานไปกู้เงินมาทำบุญนี่ไม่ถูกแล้วเสียเวลามันวนอยู่ในอา่างก็ได้ได้ได้แต่เกียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราได้ก้าวขึ้นไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไป เราก็จะติดอยู่กับการทาบุญกลับมาเกิดกี่ชาติก็จะหาเงินทาบุญหาเงินทาบุญอย่างเดียวะก็จะไม่คิดไปที่จะไปปฏิบัตไิไปนั่งสมาธิไปทำอะไรกันก็ยังทำด้วยความโลภอยู่อย่างถ้าาย์ถ้าเราเทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาอยนี้มันจะมีอนิสงส์ส่งต่อคนในครอบครัว ไ, ไหมก็มีเราเป็นคนดีขึ้นเขาสบายขึ้น เราไม่ไปตาวาดใ่เขาเราไม่ไปไปวุ่นวายกับเรื่องของเขามากขึ้นเราปล่อยวางได้มากขึ้นเขาก็อยู่กับเราอย่างมีความสบายใจ <ele> คือความประพฤติของเราจะดีขึ้น<จ>รเราจะสงบมากขึ้น <ś led> แล้วเราก็จะทำให้คนที่อยู่ใกล้กับเรานี้สบายใจขึ้นแต่ถ้าเราไม่สงบนี่เดี๋ยว <ś led> <ś led> เราก็บ่นว่าเขาใช่ไม่รู้สึกตัวเพราะใจเราหงุดหงิดลาคาญพอเห็นอะไรไม่ถูก ถูกตาถูกใจนําคานใจก็ว่าเขาละบนแล้วเขาก็จะเบื่อเราอต่ถ้าเราทําใจสงบแล้วเราจะไม่หงุดหงิดเห็นใครก็ทําอะไรก็เฉย อ, อยากจะทำอะไรก็ทําไปเขาก็แฮปปี้กับเราใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนตนอนูยังไม่ได้ปฏิบัติกันทะเลาะภาษามี่ปุนกันแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยเราปล่อยวางจนทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันใจหนูคิดเป็นเรื่องไป เออเป็นเด็กกันนะคนที่ทะเลาะกันนี่เหมือนเด็กกันผู้ใหญ่เขาไม่ทะเลาะกันหรอกแล้วมันเป็นตัวเองอะค่ะไม่ใช่ว่าเราเราเราเราฝืนใจหรืออะไรเราจะมองเราจะขำกับเขาเองเออเขาเหมือนเด็กเราเลยแล้วมันจะรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีไว้ได้ะถ้าไม่ทะเลาะกันเลยแล้วใจก็ดีมากขึ้นเจ้าค่ะให้ใจมากขึ้นด้วยอานิสงส์ดีมากได้ออ เอาลเดี๋ยวขอพักชั่วข้าวนะจะให้อนุโมทนาให้พรก่อนก็มันครบช่วงชั่วโมงแรกแลแ้วได้ได้ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกับปติอิทิตังปัทิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถาเมณิจเตระโสยถาสัพพิติโยวิวาชาตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิษะนิจังวุฒาปจายิโน ยะตาโรธรรมะวัฏานติอายุวโนสุขังภาลางวันนี้วันนี้ระหว่างพระอาจารย์แสดงํามช่วงแรกมีคนฟังและเข้าใจผิดนึกว่าก็บอกว่า เหมือนถ้าจางแสดงทําเหมือนกับสถานที่บางที่ครับที่แบบให้ทําบุญให้หมดเร<อ>ื่อยไปถึเข็เขาก็มีมาแก้ตัวใหญ่ช่วยกันแก้ตัวเ<อ>ช่วยกแก้แล้วนช่ไหมก็พระเจ้าก็ทําบุญหมดตัวเหมือนกันนะแต่มันหวชหมดเพื่อไปบวช ไ, ไม่ได้ทําไปเพื่อให้ไปสวรรค์ทําบุญเพื่อไปนิพพานถ้าอยากจะไปนิพพานนี่ต้องทําให้หมดเลยอันนั้นอันนั้นทําหมดแล้วหมดแล้วกลับไปเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนกันต่อไม่ยอมบวชคนละเรื่องกัน ไม่เหมือนกันหรอกเราถึงไม่อยากจะเรียลายเงินเดี๋ยวจะหาว่าเราสอนเพื่อเอาเงินเ อ, อทองใชมันพูดไม่เต็มปากอย่างนี้เราพูดได้เต็มปากเพราะเราไม่มีเจตนาต้องการเงินของใครเดี๋ยวถ้าให้เลขหมายเลขบัญชีไปเนี่เดี๋ยก็พูดเรื่องตายแล้วโดนก็ด่าตายนะเนี่ยเข้าใจไหมอ่าไม่อยากจะรับเงินทองใครเดี๋ยวมันพูดไม่ได้เต็มปากอย้นสอนให้ก็ทําทานไม่ได้ พอสอนปั๊บจะหาว่าอยากจะได้เงินของเขาแล้วถ้าไม่สอนให้ทําทางเขาก็ทะหนีกันเองพูดอย่างนี้มันสบายใจกว่าพูดตามความจริงอะ่ะทําทบาทหนึ่งกับสิ บ, บาทอไหมันจะมีน้ําหนักมากกว่ากันะแต่เราไม่ได้พูดเพื่อจะเอาเงินสิ บ, บาทนะเราพูดเพื่อให้คนทําบุญได้ได้มีความได้ประโยชน์ได้รับมากกว่านั่นเอง ไปทําที่อื่นออไปทําที่อยากจะทําทําที่ไหนก็ได้มีคนเข้ามาแก้เยอะแล้วครับเขาบอกว่าพระาจารย์ูดให้สระออกคือที่ไหนก็ได้เออแต่บางที่เขาให้ทำกับเขาเท่านั้นใช่ไหให้เราเราก็ไปทําแล้วก็ไปบริษัทต่อเพียงแต่เราไม่มาประกาศ บ, บอกให้รู้ท่านเลยว่าเราเราไม่อยากจะพูดเรื่องราวนานี้เพราะมันมีมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษทาไมไม่อยากจะพูด นี่คือเหตที่ว่าทําไมไม่รับบริจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามาเทศเพื่อหาเงินไงเพนระาะท่านมีเงินเยอะแยะนะครับไป <laughs> ต, ตอง <laughs> มาเถอะบวชนี่ก็ไม่เคยคิดมาหาเงินไงนถ้าจะหาเงินมาบวชทําไมใช่ไหมไปอยู่ที่บ้านต่าบ้านตานมาเก้าพรรษาก็ไม่มีเงินติดออกมาสักบาทเดียว อยู่ที่นั่นก็ไม่มีกินมมนี่มลจะไปหาเงินที่ไหนไม่ได้ไปหาเงินหาความสงบหาธรรมหาความสุขที่มีคุณค่ากว่าเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นไงหนูได้ได้ทางออกไปยังจะไปทําไหนดีหางานที่ได้รายได้ดีที่สุดก็แล้วกันจะได้เก็บเงินเก็บทองไว้เผื่อไปบวชได้ต่อไปไอ้มันนี้ก็ไม่ได้ให้สละ ผู้หญิงก็ต้องเก็บเงินทองไว้เวลาไปบวชจะได้มีเงินใช้ไม่เหมือนกับพระผู้ชายก็ไม่ต้องมีเงินวันนี้เข้ามาทักาไายเนี่ยทางสามร้อยกว่าสาม้อยกว่าคุณไม่ปัญหาช่วงแรกไมีปหางช่วงแรกไม่ไหนเลยใครจะถามาตั้หาก่อนไมู่ถามแทนถาม ถมเถามเลยถามไปเลยเราอยากดูต้องถามถามไปลองรู้ถามไปก็ได้ว่กมีคำถามมาไม่ต้องบอกเป็นของใครก็ได้ถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกอะไม่ยามถามไปเลยถามที่ไปถามที่ถามที่ถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ โยมกําลังฟังธรรมะจากวิทยุสามีถามว่าพระชื่ออะไรโยมตอบว่าไม่รู้จักชื่อพระที่กําลังเทศแต่โยมสนใจในคําสอนของพระมากกว่าอย่างนี้คิดถูกใช่ไหมคะ อ, อ, อย่าไม่สนใจชื่อคนคนสอนมันเป็นเหมือนบุรุษไปชนีเออเอาจดหมายดีกว่าจดหมายมาจากพระพุทธเจ้าเออคําถามจากอินบล็อกค่ะทําไมจากคุณชนนค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงต้องหลงอยู่กับความสนุกล่คะพระอาจารย์ก็เพราะว่าคิดว่าความสนุกคือความสุขไงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือความสงบเขาเรียกว่าหลงถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะหลงอยู่กับความหาความสนุกกันแล้วก็ต้องมาทุกข์กันทีหลังเพราะว่าจะหาไม่ได้เวลาหาไม่ได้มันก็จะทุกข์กันแต่ถ้ามาหาความสงบนี้พอหาได้เราจะหาได้ไปเรื่อยๆจะไม่มีวันหมด ดีกว่าคำถามจากคุณบำเพ็ญค่ะอยากรู้ว่าเวลาฟังธรรมแล้วดิฉันก็นอนหลับทุกครั้งในขณะที่ฟังจาก YouTube บากมากไหยคะไม่ได้บุญนะนั่นเองไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่ได้บุญเพราะการฟังธรรมถ้าฟังแล้วเราเข้าใจเราก็จะได้บุญได้ปัญญาได้ความสุขใจแ ล, แล้วนั่งสมาธิแล้วคือ น, นี่และเงียบๆไปเลยค่ะนี่เรียกว่าเราหลับหรือจิตของเราสงบคะถ้าเราไม่รู้สึกตัวก็หลับ ถ้าเรารู้สึกตัวตลอดเวลาที่มันนิ่งก็ไม่หลับก็เป็นสมาธิก็เป็นความสุขเป็นบุญค่ำถามจากคุณอ้อมค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิจนคำบริกรรมและลมหายใจหายไปเหลือแต่ความว่างหากมีเสียงหรือความอุ่นร้อนเย็นมากระทบหรือมีความคิดใดๆแวบขึ้นมาในขณะที่เราพิจารณาความว่างนั้นเราควรกาหนดรู้อย่างไรต่อไปเจ้าคะคือรู้ว่าใจเราเฉยหรือไม่ เสียงมากระทบแล้วก็รู้สึกเฉยๆอะไรมากระทบกับร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็รู้สึกเฉยๆก็แสดงว่าเรามีสมาธิแต่ถ้าเรามีปฏิกิริยากับเสียงหรือกับสิ่งที่เกิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ยังไม่สงบพอก็ต้องบริกรรมต่อไปคําถามจากาคุณผู้ทวนกระแสโลกนะครับ ถ้าเราเระลึกได้ว่าเราเคยทำบาปทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเช่นตีงูตายและขับรถชนหมาตายเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรครก็อย่าทำใหม่ไงเอาเอาอาดีตมาเป็นบทเรียนสอนเราว่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าการทำบาปนี่มีโทษตามมาตอนนี้เรารู้แล้วต่อไปเราก็พยายามมีสติเวลาที่จะทำบาป ก, ก็พยายามหยุดมันเห็นงูก็อย่าไปตีมัน ถ้าจะจับก็จับมันไปปล่อยอย่าไปฆ่ามันอย่างเราไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเลยพอดีไม่ได้อยู่บ้านนะเขามาเขาก็ฆ่าเลย <c oughs> เด็ก <c oughs> น, นี้เราก็บาปด้วย <c oughs> วก็มีส่วนเพราะเราไปสั่งเขาให้เข้ามาดังนั้นเราก็ถ้ารู้ว่าเขาจะมาฆ่าก็หาวิธีอื่นไง <c oughs> หาวิธีไล่ให้มันออกไปนอกเมว่า <c oughs> เขาจะมาจับไปเฉย อ, อะไรก็บอกเขาเสียเวลาเข้ามาพี่จับอยบ่าไปฆ่ามันจับแล้วเราหาถังหรืออะไรให้เขาใส่เก็บไว้ให้เราก็ได้แต่เราค่อยไปปล่อยมามามาบนเขานี่มาที่ไหนเป็นที่เป็นป่าที่ปลอดภัยสําหรับมันก็ไปปล่อยมันกรณีนี้น่าจะเป็นแบบว่าไม่มีบาปแต่ว่ามีเวรมีกรรมต่อกันหรือเปล่าครับถ้ากรณีนี้ก็นั่นแหละการทําบาปก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมนั ชาติก่อนมูตัวนี้อาจจะทําร้ายเราอย่างเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เขาตาย อ, ยาอมีเสียมือไปเรียกเข้ามานี่ไม่ใช่อย่างให้ให้จับออไปก็บอกเขาเสิก็ต้องบอกเขาเส้ต้องคอยเฝ้าดูเขาเสิถ้ามีเจตนาจริงอ่ะคือคื อ, อไม่ได้อยู่บ้านมีลูกชายอยู่บ้านโทรแจ้งเลยโทรแจ้งใครใครเป็นคนโทรล่ะอ่า ทำไมไม่บอกเขาว่าอย่าฆ่านะเพียงแต่จับไปปล่อยกันอย่างนี้เราจะได้ปลอดภยัยไม่ถึงแต่ก็อาจจะไม่บาป ก, ก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้สั่งให้เขาฆ่า <c oughs> เราสั่งให้เขามาจับไปแล้วเข้าไปฆานั้นก็เป็ น, เ ป, นเป็นบาปของคนที่เข้าไปฆาก็ได้แต่ถ้าเรามีเจตนาแล้วให้เขาฆ่าจับไปฆ่าแต่เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้พูดแต่เข้าใจกันนี้ก็ถือว่าบาป มันก็อยู่ที่เจตนาแล้วอยู่ที่ว่าเขาเข้าใจอย่างที่เราพูดหรือเปล่าว่าเอาไปฆ่าแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาแล้วเราบอกให้เขาจับไปปล่อยคือคือนึกไม่ถึง อ, อ่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนก็แล้วกันคราวหน้าจะ <c oughs> พูดจะทำอะไรให้มันชัดเจนคำถามจากคุณเรนนี่นะครับอย่างนี้แสดงว่าพ่อแม่จะไปสวรรค์หรือไม่ ไม่ได้เกี่ยวกับลูกชายบวชให้ใช่ไหมครับเพราะบางบ้านมีแต่ลูกผู้หญิงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของใครของมันของใครของมันเพียงแต่ลูกชายเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวดึงให้เข้าวัดดึงเข้าสู่สถานที่ได้มีการปฏิบัติกันแท่า้เองแต่ถ้าลูกบวชแล้วก็ไม่ไปปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรอาจจะได้เฉพาะวันบวชเสียเงินเสียทางซื้อข้าวซื้อของถวายพระอะไรไปตามเพทเพนีก็ได้ทาบุญหน่อย จะคุณตองนะครับการทําบุญคือถ้ามีสิบบาททำสิบบาทไม่มีเงินกินข้าวนี่ถือว่าเบียดเบียนตัวเองจะได้บุญไหมครับได้เราบางทีมันได้ความอิ่มใจสุขใจกว่าการกินข้าวสิบบาทเองเช่นเรามีข้าวสิบบาทเราเห็นขอทานมาสงสารมันเนาะยกให้มันกินแทนแล้วแทนที่เราจะหิวข้าวเรากลับอิ่มกว่าอิ่มกว่าได้กินข้าวสิ เพราะอาหารที่เรากินสะสมไว้ในร่างกายก็มีเยอะอยู่แล้วอดอีกสามวันก็ไม่ตายบางคนเนี่ยดี ม, มีประโยชน์สกได้ลดน้ำหนักได้ได้หุน่นได้เชฟกลับคืนมาอันนี้คือในกรณีของตัวเองที่อดได้แต่ถ้าครอบครัวเนี่ยต้องทำให้เขาเดือดร้อนได้นะพระอาจารย์ถ้าเรามีหน้าที่เลี้ยงดูเขาก็ไม่ควรที่จะเพราะการเลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นการทาบุญอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหม แล้วมันจําเป็นกว่าเพราะเราเขาเขาพึ่งเราเรามีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูเขาแต่ถ้าบางทีต้องแบ่งกันก็เอาอาจจะแบ่งให้ครอบครัวครึ่งหนึ่งแบ่งให้ขอทานครึ่งหนึ่งเพราะขอทานก็มีปากมีท้องเหมือนกันครอบครัวก็มีปากมีท้องเหมือนกันในเมื่อมันมาเจอกันอย่างนี้ก็บางทีก็อาจจะบอกครอบครัวว่าช่วยกันทําบุญกันนะอะถ้าคนในครอบครัวยินดีเสียสละเราก็ได้บุญไปก ก, กับเราด้วย คำถามจากคุณสุวัฒนานะครับมีกลุ่มคนที่ชวนไปทำพิธีรับธรรมะโดยบอกว่าหากรับธรรมะแล้วจะไม่มีวันลงอบายตายไปจะได้ไปอยู่ในดินแดนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากทำไม่ดีก็จะไปฝึกปฏิบัติธรรมต่อแต่จะไม่ลงอบายส่วนตัวยังคิดว่าถ้ารับธรรมะแล้วไปทำชั่วทำบาปอีกก็ไม่พ้นอบายอยู่ดีพระอาจารย์มีความ เห็นกับหลักการของคนกลุ่มนี้ว่าอย่างไรคะคือการรับธรรมนี้มันไม่ไม่ได้เป็นตัวที่ประกันจะไม่ให้ไปอบายตัวที่จะปร ะ, ประกันไม่ให้ไปอบายก็คือการรักษาศีลหให้ได้ที่ไปรับธรรมเพื่อจะได้รู้ว่าธรรมคืออะไรก็คือศีล์ห่าไงไปรับธรรมพระก็จะสอนว่าอย่าทําบาปน ะ, ะละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดืองชื้รายาเมาถ้าปฏิบัติ ห้าข้อนี้ได้ก็รับประกันได้ว่าไม่ไปเกิดในบายอย่างแน่นอนคำถามจะคุณสัญญานะครับเมื่อก่อนบวชนานแล้วเข้าอัปนาสมาธิได้จนติดสมาธิเข้าทุกวันวันละสามสี่รอบคือนั่งประมาณชั่วโมงครึ่งสามรอบจมกลมหนึ่งรอบแต่ไม่ได้เจริญปัญญาสึกออกมาแล้วทำงานปัจจุบันก็อินซีสังวรสีห้าบ้างแปดบ้างสลับกัน แล้วแต่โอกาสจเจริญสติรู้กายบ่อยๆแต่ไม่ถึงตลอดเวลาเพราะทำงานฟังธรรมทุกวันวันหยุดก็นั่งยาวๆวันละสามสี่ชั่วโมงจิตสงบแค่นิบอลดับตื่นรู้แต่กายไม่ดับลมหายใจบางครั้งก็แผ่วเบาหรือเกือบดแบบับพยายามทำใจให้แยกคายก็ไม่เข้าอั ป, ปนาสองปีแล้วลบกวนพระอาจารย์แนะนาด้วยครับก็ คือเวลาเรานั่งสมาธิเราก็นั่งเพื่อให้มันสงบมันจะเข้าได้ไม่ได้ก็แล้วแต่กำลังของสติของเราถ้าเข้าไม่ได้ก็แสดงว่าสติของเรามีกำลังไม่พอแต่เวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิออกจากสมาธิเราก็ต้องเจริญสติต่อไปเพื่อให้มีกาลังที่จะดึงจิตเข้าไปในสมาธิถ้าเวลาที่เรานั่งนั้นเหตุที่เราเข้าสมาธิได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของสติของเรา ถ้ามีกำลังไม่มากพอมันก็ดึงเข้าไปไม่ได้เพราะแรงดันมันจะมีมากกว่าแรงดันก็คือกิเลสการมาฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสมันจะคอยดันใจให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่สงบเองเราต้องพยายามเจริญสติให้มากเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิคำถามชะกคุณกัญญานะครับนั่งสมาธิมีความรู้สึกตัวเหมือนเห็นจิตบริกรรมพุโทโธ สบายสบายตัวเบาโล่งถือว่าดําเนินการทําสมาธิถูกต้องหรือเปล่าเป็นนิมิตหรือว่าจิตปรุงแต่งก็ให้เราอยู่กับคำบริกรรมไปอย่าไปอยู่กับนิมิตที่ปรากฏให้เราเห็นให้อยู่กับรคำบริกรรมไปนิมิตจะมาปรากฏก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่คําคําบริกรรมเพราะถ้าเราไปอยู่กับนิมิตเดี๋ยวคำบริกรรมมันหยุดแล้วเดี๋ยวนิอะไรต่างๆมันก็จะหยุดไมหมดความสงบมันก็จะไม่ไม่ไม่เกิดน ถ้าเราบริการต่อไปเดี๋ยวนิมิตก็หายไปแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นมาคําถามจะคุณยานิฐานะครับการที่เราใส่บาตรทุกวันก็เหมือนเราสะสมบุญฝากธนาคารบุญทุกวันใช่ไหมครับใช่คือบางทีเราไม่มีเงินก้อนจะทําทีละแสนเป็นหมื่นทําไม่ได้เราก็ทําวันละร้อยไปก่อนะเดี๋ยวร้อยวันมันก็ได้หมื่นละ คำถามจากคุณปัญญายมปัญนานะครับก็คื อ, อที่อสุภักขรรมาฐานวันนั้นนะครับเมื่อเข้านั่งกรรมฐานแล้วเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกนั่งอยู่พอเห็นแบบนี้แล้วขั้นต่อไปต้องพิจารณาอะไรต่อคะก็ะพิจารณาร่างกายนี้ให้มานกลายเป็นดินน้หลมไฟไปให้มันแตกดับไปหมดให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้หลมไฟเท่านั้นเอง แล้วก็เวลาไม่ได้นั่งก็พยายามพิจารณามองเวลาเห็นใครก็พยายามเห็นโครงกระดูกเห็นอสุภะอยู่เรื่อยๆเห็นสร้างศพอยู่เรื่อยๆอย่าเห็นแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเพราะเวลาที่เรานั่งกิเลสมันไม่เกิดเนี่ยมันจะมาเกิดตอนที่เราไม่นั่งกันพอไปเห็นดาราภาพประยนต์เห็นนางแบบเห็นนายแบบแล้วก็เกิดความหนงไหลคลั่งครขึ้นมา ต้องรีบเห็นโครงกระดูกของเขาต้องรีบเห็นซากศพของเขาถึงจะเป็นประโยชน์ถึงจะเป็นปัญญาการที่เราเห็นในขณะที่นั่งสมาธินี่เป็นเหมือนกับการซ้อมเป็นการทาการบ้านไปก่อนสร้างข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของเราคือในใจเราถ้าเรานึกถึงภาพอะไรอยู่บ่อยๆต่อไปมันก็จะอยู่ในใจเราจะฝังใจเราแล้วต่อมาเวลาเราออกมาพอเราเห็นอะไรที่จะทำให้เราเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเราก็ใช้ ภาพที่เราเห็นนี้มาดับมันเลยเห็นนายแบบก็เห็นศพของนายแบบเห็ น, นแบบเห็นเห็นโครงกระดูกของนายแบบถ้ายึดติดกับใครรักใครหวงใครก็เห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไปเลยอย่างนี้มันถึงจะทําให้เราไม่ยึดไม่ติดแล้วทําให้เราไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆคําถามจะคุณนรงศักดิ์นะครับการที่เราระลึกถึงความดีที่ทําที่ได้ทําเช่น เคยบริจาคให้แม่ชีได้บวชได้สำเร็จถ้าไม่ได้เราท่านก็จะไม่ได้บวชครับเวลาทุกข์ใจก็ระลึกถึงตัวนี้ก็สุขใจอิ่มเอมใจครับแบบนี้บุญที่ทำไว้จะล่อยหลอลงหรือเปล่าครับถ้าระลึกถึงบ่อยๆ อ, อ้าไม่หรอกก็ยังหล่อเลี้ยงจิตใจเราได้อยู่เสมอค า, ถ, ถ, าถามจะคุณกุ๊กไก่นะครับควรรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปรักษาศีลแปด ใช่ไหมเจ้าคะอ้าวถ้าสินห้ายังรักษาไม่ได้จะไปรักษาสินคันได้ไหมสินห้า ม, มันก็เพิ่มอีกสามข้อเป็นสินสินตานมันก็เพิ่มอีกสามข้อจากสินห้าคำถามจากคุณนัตตี้นะครับทําอย่างไรถึงจะเห็นว่าร่างกายสกปรกตลอดเวลาคะก็ต้องนึกตลอดเวลาเวล า, วลาอาบน้ําก็นึกตลอดเวลา เวลาเหงือออกส่งกลิ่นเหม็นก็นึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเวลาขับถ่ายของสกโปกออกมาก็นึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเราชอบลืมมันเวลาเข้าห้องน้ำนี่เปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์แทนไม่ยอมมองไอ้ของที่สกโปกมันออกมา ก, กันพยายามที่จะลืมของสิ่งสกโปกต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเราพอมันส่งกลิ่นเหม็นก็หายามาฉีดใช่ไหมหาหายาดับกลิ่นมาฉีดใต้รักแลกัน ปล่อยมันเส้ปล่อยมันเหม็นออกมาเอาเลือเอาจมูกไปดมเลยมันจะได้รู้ว่าเหม็นหรือไม่เหม็นเออมันจะได้ไม่หลงข้าใหญ่ไหมคาถามาจะคุณนัชชนนนะครับผมเคยนั่งสมาธิจนถึงจุดที่เหมือนไม่มีตัวเหมือนลอยอยู่ลืมลมเหลือเพียงรู้ว่าตัวเหมือนลอยอยู่ในความมืดที่เวงวังไม่สว่างเหมือนคนอื่นจะทำถูกต้องหรือเปล่าครับ และทำถึงขั้นไหนครับแล ะ, ะคุณปฏิบัติอย่างไรต่อถ้ามันสบายมันมีความสุขแล้วมันอยู่เฉยๆอย่างนั้นได้ก็รักษาประทับประคองมันไว้ยาเออก็ถูกแล้วละ่ะนั่งสมาธิเพื่อให้ใจว่างให้ใจสงบแต่ไม่ไม่ได้บอกว่ามีความสุขหรือไม่ความจริงมันควรจะมีความสุขรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่อยากจะไปทาอะไรไม่อยากจะมีอะไร จิตเราไม่ต่งออกแต่เรารู้เนื้อรู้ตัวตลอดนี่ก็ถือว่าได้สมาธิเนี่ยได้สติมากกว่าอถ้ถามันถ้ามันค่อนได้สมาธิมันจะนิ่งมันจะไม่รับรู้อะไรเลยแล้วไม่ต้องบังคับมันด้วยไม่ต้องคอยคุมมันคําถามจากคุณเจมนะครับเวลาผมโกรธผมชอบหงุดหงิดจะทําอย่างไรให้หายได้ครับก็ดับความโกรธ สาเหองความโกรธก็เกิดจากความอยากอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธก็เปลี่ยนความอยากหยุดความอยากเสีอยากให้เขาทำอะไรให้เราแล้วพอก็ไม่ทำเราก็โกรธหยุดเกลีดขึ้นมาเราก็เปลี่ยนใจว่าไม่เอาก็ได้เราทำเองก็ได้เขาไม่ทำให้เราก็ไม่เป็นไรเราทำของเราเองอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาเราก็จะหายโกรธเกล คำถามเจ้าคุณอัญชลีนะครับการทําบุญแล้วขอใบอนุโมทนาบาัตรเพื่อลดหย่อนภาษีเราจะได้บุญใหม่เจ้าคะก็ได้น้อยลงไงเพราะแทนที่เราจะได้เต็มร้อยเราก็ไปขอคืนสิบบาทขอคืนร้อยละสิบนี้ยก็ทําแค่เก้าสิบตั้งเองถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ไม่ต้องไปขอบัตรที่การไปขอบัตรนี้เพื่อให้รัฐบาลร่วมทําบุญกับเรารัฐบาลเขาทานี้เพื่ออยากสนับสนุนให้เราได้ทําบุญกัน คำถามคุณอารยาะคระับเพื่อนหญิงฝากถามว่าเธอมีครอบครัวแล้วแต่ยังมีเพื่อนชายมาติดทันอยู่หลายคนแต่เธอไม่เคยปล่อยตัวแบบนี้จะว่าผิดศีลไหมคะและถ้าหากเธอเคร่งครัดเรื่องการปฏิบัติสมาธิจะมีผลต่อการปฏิบัติไหมคะก็ถ้ายังไม่เป็นร่วมหลับนอนกันก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าน้ำน้ามันกับไฟเวลามันอยู่ใกล้กัน ถ้าเรามีมคู่ครองแล้วถ้ามีคนที่เข้ามาทําท่าทําทีว่าจะมาจีบเราเนี่เราควรที่จะปฏิเสธเขาควรจะหาวิธีให้เขาถอยออกไปดีกว่าถ้าเรายังไปทําดีกับเขาอยู่เดี๋ยวเขาก็จะคิดว่าเราอยากจะมีอยากจะเปิดประตูเปิดทางให้เขาแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้อาจจะทําให้ยับยั้งจิตใจไม่ได้นน้ํามันกับไฟอย่าให้มันอยู่ใกล้กัน พอมันจะเข้าหาการนี้พยายามแยกมันออกจากกันส่วนการฝึกสมาธิถ้าเราพยายามปฏิบัติทำมากๆผลมันก็จะได้ผลมากขึ้นมาเองแหละคำถามคำถามจากคุณณพลนะครับการที่เราไม่ได้นึกคิดปรุงแต่งมโนภาพกระดูกหรือศพหรือของเน่าของเหม็นขนาดที่อยู่ในสภาวะปกติคือ น, นั่งมองลมหายใจอยู่เฉยๆภาพกระดูกก็ปรากฏเช่นนี้ต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปครับ มันแล้วแต่ว่าเรานั่งเพื่ออะไรถ้าเรานั่งเพื่อความสงบเราก็ดูว่าใจเราสงบจากภาพที่เราเห็นหรือเปล่า้าเห็นแล้วไม่สงบเราก็อยากไปดูมันเราก็มาดูลมต่อดูลมอย่างเดียวแต่ถ้าเราดูลมแล้วมีภาพที่เป็นภาพของกระดูกกระไรขึ้นมาแล้วเราสามารถใช้ภาพนั้นทำให้ใจเราสงบได้จะดูภาพก็ได้หรือจะดูลมก็ได้เป้าหมายของการนั่งก็เพื่อให้ใจเราสงบ คำถามจากคุณอินทวนนะครับขอความกรุณาพระอาจารย์บอกเรื่องการฝึกจิตสําหรับผู้เริ่มต้นด้วยค่ะการจะฝึกจิตให้ใจสงบนี่ก็ต้องมีสติสตินี่เป็นเหมือนเชือกใจเหมือนลิงเนี่ยถ้าอยากจะให้ลิงมันสงบเราก็ต้องเอาเชือกม า, มามัดตัวมันถ้ามัดตัวมันได้มันก็ดิ้นไม่ได้ไปไหนทํำอะไรไม่ได้มันก็จะนั่งเฉยๆได้ ถ้าเราไม่มีสติใจเราก็จะคิดเลื่อยเปื่อยแต่ถ้าเรามีสติใจก็จะหยุดคิดหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบเอ็นวิธีนี้ทำให้ใจสงบขั้นต้นก็ต้องฝึกสติก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนการจะมีสติก็ต้องมีอะไรไว้กำกับใจเช่นพุโทโธพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราทำอะไรพอลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธไปอาบน้าแปรงฟันน้างหน้า ทาปากแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปถ้าอย่างนี้ความคิดมันก็จะเบาลงแล้วเวลานั่งสมาธินั่งหลับตาพุโทโธต่อไปมันก็จะสงบได้แต่ถ้าเราไม่มีสติควบคุมความคิดไว้ก่อนพอเวลานั่งสมาธิมันก็จะคิดไปเหมือนกับตอนที่ไม่ได้นั่งนั่งไปไม่นานมันก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้คำถามจะคุณปรีกไหมครับ ผมอยากบวชตลอดชีวิตแต่พี่ยังไม่อยากให้บวชเรื่องภา ร, ระครับถ้าผมหนีไปบวชจะบาปไหมครับและค่อยบอกทีหลังเห็นแก่ตัวไปไหมครับแต่ผมเคยบวชแล้วครั้งหนึ่งรู้สึกไม่อยากเกิดอีกแล้วคือถ้าไปบวชเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการมีแม้ตาเกิดนี่ไม่บาปอ่ะแต่ถ้าไปบวชเพื่อหนีภาร ะ, ระหน้าที่ที่เรายังมีอยู่นี่ก็ไม่ควรคําถามจากคุณ เอไม่รู้จะเยอะไป น, ยย น, นะครับอยาหญิงนะครับพระโสดบาบันละสองโยตสามมีความหมายในแต่ละข้ออย่างไรครับก็ลองไปค้นใน google ดูนะเพราแรกก็คื อ, อสักกญาติฐิคือการล ะ, ะการเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราความเจ็บปวดนี้เป็นเราเป็นของเรารละความความความกลัวความเจ็บกลัวความตายได้ แล้ววิจิกิจฉาก็จะละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วก็จะละศีลพัฒน์ปารามาก็คือความยึดติดในพิธีกรรมต่างๆเราคิดว่าการทประกอบพิธีกรรมต่างๆเป็นวิธีการดับความทุกข์ใจซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องหยุดด้วยการละความอยากเช่นเราอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนาน พอร่างกายเจ็บไา้ได้ป่วยก็ไปบุญบาลสารเก่าไปทำพิธีกรรมเสดอจข้ออะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่ทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองพอเราลากความ อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเรายอมรับความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะหายทุกข์แล้วเราก็ไม่ต้องไปทําประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อดับความทุกข์ความไม่สบายใจของเราคําถามสุดท้ายประจําวันนี้นะครับจากสามเณรพิธิวัตนะครับการเจริญสติภาวนาให้มีความพัฒนาเกี่ยวข้องกับการถือศีลหรือไม่อย่างไรเช่นศีลห้ากับศีลสิบศีลสิบ การเจริญสติภาวนามีความพัฒนาแตกต่างกันไหมพับพระอาจารย์คือถ้าเราไม่มีศีลเหลือเราไปดื่มสุราเราก็จะไม่มีเราก็จะเมาเมาแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติกันนการถือศีลนี้จะทําให้เรามีโอกาสได้เจริญสติมีโอกาสได้ปฏิบัติ